บท 2 แนวทางปฏิบัติธรรมโดยสังเขปอยากทราบแนวทางการปฏิบัติธรรมโดยสังเขปค่ะเพื่อนเช่นบางท่านกลัวว่าท่านกลัวว่าพอ หรือถ้าเป็นคนกรุงเทพไม่ถูกถ้าเป็นคนกรุงเทพฯก็ยังอุ่นๆแต่เป็นระบบเพื่อความอุ่น ฤาประจําธรรมที่ผมตอบคนอื่น ถกเถียงกันเรื่องการปฏิบัติธรรมโดยนําคําแนะนําของผมที่ได้ยิน 1 การสร้างความเข้าใจขอบเขตของพระพุทธศาสนาเพื่อนที่มี เพื่อมาศึกษาพระพุทธศาสนาเพราะความรู้ทางโลก พระพุทธศาสนาไม่ได้มีไว้โชคลางเจ้ากรรมนายเวรชาติโน้นชาติหน้า 2 เครื่องมือใน ให้รู้จักเครื่องสติและสัมปชัญญะผมมักจะพยายามเช่นความลังเลสงสัยความอยากความกังวลความ และเฝ้ากระตุ้นหูจมูกลิ้นกายหรือใจส่วนมากก็จะเผลอกัน และไม่เผลอเพ่งก็คือการพยายามให้พวกเรามีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวไว้เสมอๆ3 แลการเจริญสติปัฏฐานเมื่อพวก ระลึกรู้กายเวทนาจิตและตามความถนัดของแต่ละบุคคลเช่นให้รู้รู้ลมหายใจเข้าออกรู้ความเคลื่อนไหวสบายๆ เมื่อจิตมีกําลังขึ้นแล้วก็เห็นว่าอิริยาบถความเคลื่อนไหวกายหรือลมหายใจนั้น ก็เช่นเกิดความรู้สึกเกิดกุศลอกุศลๆก็ในลักษณะสิ่งที่ถูกรู้เช่นเดียวกับการรู้รูปนั่นเองอันหนึ่งคนไหนมีกําลังรู้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 เมื่อจิตรู้ความยินดียินร้ายแล้วก็จะเห็น จิตจะเป็นกลางมากขึ้นตามลําดับก็ขึ้น 2 ประการเป็นส่วน 1 เกิดความ หรือ 2 เกิดความลังเลสงสัยว่าจะต้องทําแล้วเลิกปฏิบัติโดยการรู้หันมาสมาธิปัญญาสมบูรณ์เต็มที่ นี่เป็นข้อสรุปแนวทางการปฏิบัติธรรมโดยสังเขปที่ขอฝากไว้ให้กับหมู่เพื่อนเพื่อประกอบการพิจารณาปฏิบัติต่อๆก็ปรากฏปัญหา ยิ่งปฏิบัติยิ่งเกิดความคลาดเคลื่อนยิ่งขยันยิ่งพลาดไปไกลจุด จำเป็นต้องฝึกสมถกรรมฐานเสียก่อนแล้วการฝึก โดยมีความรู้ตัวไม่เผลอหันมาดูจิตเพ่งจิตแค่ระลึกรู้อารมณ์อัน เพราะกระทั่งจิตติดอารมณ์อยู่ก็มองไม่เห็นความง่ายๆสบายๆพวกเราจํานวนมากกลัวจะ จิตจะเกิดการตื่นตัวขึ้นเกิดอาการเกรงระวังตัวเช่นอยากอยากเป็นคนเก่งเป็นดาวเด่นเห็นธรรมเร็วๆ ก็ต้องเร่งความเพียรแทนที่จะเจริญสติสัมปชัญญะอย่างเป็น 3 ประการนี้ หลงแล้วคิดว่าอารมณ์อันหนึ่งไว้แล้วคิดว่าสามารถรู้จิตจิตไป ผมก็ถ้ารู้แล้วจะได้กลับออกมาอยู่ข้างนอกนําว่าให้ดูให้รู้ว่ากําลังติด ยังดีว่าสงสัยแล้วถามผมเสียก่อนไม่ฉะนั้นถ้าท่านพบผมท่านคงทุบผม โดยไม่รู้ตัวให้รู้ตัวให้ไม่ได้ปรารถนาจะเช่นหลงแสงสีเสียงต่างๆหรือหลงในการกระตุก ต้องคอยปลอบคอยแนะให้หันมาสังเกตรู้ความยินดียิน ที่คอยแต่จะครอบงําจิตเช่นความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากเด่นอยาก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 ไปลองสังเกตดูตอนนี้ก็ได้ครับไปถือเช่นอาคารบ้านเรือนบ้านเรือนโต๊ะเก้าอี้ต้นเบาไม่มีส่วนจิตใจของเรานั้น มองย้อนเข้ามาจะเห็นว่ามันหนักมากบ้างน้อยบ้างถ้ายึด มันยินดียินร้ายต่อสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามา คำสอนขันเป็นของหนักจริงๆสำหรับคน 7 มกราคม 2543